บทที่38นางกิมไลก่อนกลับสิงบุรีท่านพระครูพาลูกศิษย์เขาไปที่ร้านขายทองเมืองโคราชท่านต้องการเลี่ยมพระสมเด็จกับพระนางพญาเพื่อให้นายวิโก้และภรรยาของเขาไว้เป็นที่ระลึกเป็นร้านขายทองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านแต่งกายสวยงามใส่เพชร ท, ทองเต็มตัว ท่านรู้สึกคลับคล้ายคลับคราวว่าเคยเห็นสีกาผู้นี้ที่ไหนพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกข้างฝ่ายสีกาก็จ้องมองท่านอย่างรู้สึกอย่างเดียวกันในที่สุดผู้เป็นสมณะก็เอ่ยขึ้นว่าโยมอาตมาอยากจะเรียมพระสักสององค์จะรอรับไปเลยได้หรือเปล่าขอดูพระก่อนถ้าขนาดเท่ากับกรอบสำเร็จรูป ที่เรามีอยู่ก็รอรับไปได้เลยท่านมาจากไหนหรือจ้าสตรีวัยสี่สิถามอัตมามาจากสิงบุรีโยมล่ะเป็นคนโคราชหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นหล่อนไม่ตอบแต่กลับถามว่าบ้านท่านอยู่บางม่วงหมู่ใช่ไหมทำไมโยมถึงรู้ล่ะถามรางมองหน้าหล่อนอย่างพินิษพิเคราะห์ ชื่อเจริญใช่ไหมถามเสียงห้วนคำถามของสีกาทําให้บรรพชิตนึกออกจึงถามกลับไปว่าเอ็งชื่อกิมไล้ใช่ไหมท่านจําได้นางสาวกิมไล้เป็นเพื่อนบ้านท่านเองก่อนท่านบวชหล่อนนี่พ่อแม่ไปเป็นโสเพณีตาเสงกับยายชั้นโกรธลูกสาวมากถึงกับจะเอามีดเชี่ยดคอตาย นางสาวกิมไลเองก็โกรธ ว, วิดามารดาที่จะฆ่าตนจึงประกาศออกมาว่าจะขอไปตายเอาดาบหน้าจะไม่กลับมาบางม่วงหมู่อีกแล้วหล่อนหายหน้าหายตาไปตั้งแต่บัดนั้นท่านบวชตั้งแต่เมื่อไรและไปยังไงมายังไงถึงได้มาที่นี่ถามอย่างยินดีไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบกับเพื่อนเก่าแล้วเองล่ะ ก็ไหนไปเป็นโสเพณีแล้วทำไมถึงมานั่งขายทองอยู่ที่นี่แทนคําตอบหล่อนกวากมือเรียกเท่าแก่ที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเฮียมานี่แน่พระองค์เนี้ยเป็นเพื่อนเก่าฉันท่านมาจากสิงบุรีบุรุษร่างอ้วนจึงลุกขึ้นเดินมายกมือไหว้ท่านโยมเป็นสามีกิมไลหรือคนเป็นพระถามครับ เขาตอบพรางส่งสายตามองไปที่ภรรยาอย่างรักใคร่ไปเจอกันได้ยังไงล่ะรู้หรือเปล่าว่าเขาหนีออกจากบ้านท่านเลี่ยงข้อความที่ว่าเป็นโสเพนีทราบครับคือท่านครับเขาเรียกว่าเป็นบุเพสนิวาสนะครับภรรยาผมเป็นมะเร็งตายผมก็ว้าเวเลยไปเที่ยวสุกซนจึงได้เจอกิมไลเขาตอนนั้นฉันหากินอยู่ที่พิซณนโลก เฮียก็ไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็เลยเจอกับฉันเขาพักอยู่ที่โรงแรมฉันก็ไปหากินที่โรงแรมแห่งนั้นตามประษาผู้หญิงโสเพณีหลอนเล่าอย่างไม่อายก็ไม่รู้จะอายไปทำไมในเมื่อพระองค์นี้เป็นเพื่อนเก่าของหล่อนแล้วก็รู้กำพืชของหลอนเป็นอย่างดีส่วนฝรั่งที่มาด้วยคงฟังไม่รู้เรื่องครับ ผมเจอกิมไลที่โรงแรมที่พักแล้วก็นึกรักในทันทีโดยไม่ได้รังเกียจเขาเป็นผู้หญิงหากินผมบอกกับเขาว่าอย่ามามม่ทำอย่างนี้เลยไปอยู่กับเฮียดีกว่าเมียเฮียตายมีลูกกำพร้าแม่อยู่สองคนช่วยไปเลี้ยงดูลูกหน่อยกิมไลเขาก็มากับผมตอนนี้เรามีลูกด้วยกันสามคนเรียนเก่งทุกคนทั้งลูกแม่เก่าและแม่ใหม่ กิมไล้เขาดีมากครับท่านเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นเมียที่วิเศษที่สุดเท่าแก่ร้านทองพรรณนาถึงคุณสมบัติของคู่ชีวิตคนที่สองเอ็งโชคดีมากนะกิมไล้เป็นโสเพนีแท้ๆอย่างกลายเพศเป็นเศรษฐีได้พูดยิ้มยิ้มใช่สิถ้าฉันไม่หนีออกจากบ้านจะได้เป็นเศรษฐีหรือ คิดแล้วก็ยังแค้นเตี่ยกับแม่ไม่หายลูกในไส้แท้ๆจะฆ่าจะแกงได้ลงคอคอยดูนะฉันจะไม่กลับไปเหยียบบางม่วงหมูอีกเลยแผ่นดินไม่กลบหน้าฉันจะไม่มีวันกลับหลอนพูดอย่างเครียดแค้นอย่าไปผูกโปรดเขาเลยกิมไล่เอ้ยยังไงยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เองไม่มีเขาเองจะมานั่งหน้าแป้นแร้นอยู่อย่างนี้หรือ พระครูสอนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงในการก่อนก็คงจริงอย่างท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันเจวานท่านช่วยเอาเงินไปให้เขาหน่อยแต่อย่าบอกว่าเป็นเงินฉันท่านต้องสัญญาว่า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 หรือเวโกว่ายังไงท่านถามลูกศิษย์ที่มาด้วยครับผมก็ว่าไม่น่าจะบาปนุ่มต่างแดนตอบอ้าวพูดไทยได้ด้วยหรือกิมไลถึงกับอ้าปากค้างรู้สึกอับอายฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นี้ที่ล่วงรู้ความลับของหล่อนผมเคยมาเรียนภาษาไทยที่นี่ครับภาษาไทยเป็นภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลกขนาดยากค ย, ยังพูดคล่องออกอย่างนี้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 ผมไม่รู้จักประเทศที่คุณพูดถึงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเคยได้ยินแต่ประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริกาอ่อประเทศฝรั่งเศสอีกประเทศหนึง่งบุรุษวัยห้าสิบตอบนี่เองจะให้ข้ายืนคุยอยู่อย่างนี้น่ะหรือเมื่อยขาแล้วนะจะไม่นิ ม, มนต์ให้นั่งเลยหรือไงท่านพระครูต่อว่าตอขาสีกาวัยสี่สิบ วิตายฉันลืมไปมัวแต่ดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่านี่ถ้าท่านไม่ได้เป็นพระคงคุยกันมันกว่านี้นางกิมไลว่าเองจะคุยให้มันยังไงก็ได้ข้าไม่ถือแต่ต้องนิมนต์ให้ข้านั่งก่อนงั้นก็เชิญข้างในดีกว่าเฮีย er. วันนี้เราปิดร้านสักวันฉันจะได้คุยกับท่านให้เต็มที่ในกใกล้เพลแล้ว นิมนต์ฉันเพงที่นี่เลยเฮียหลือช่วยไปซื้ออาหารที่ปตการมาถวายหน่อยถือโอกาสทำบุญฉลองที่เราเป็นผัวเมียกันมาครบปีที่ยี่สิบพอดิบพอดีคนเป็นเมียสั่งการชอดๆอจ้าจ้าเฮียจะทำตามที่หลือสั่งทุกอย่างนิมนต์ข้างในเลยครับผมขออนุญาตปิดร้านก่อนคนรักเมียว่า แล้วเรื่องเลี่ยมพระของอาตมาละ่ะท่านห่วงทุละประเดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านวางใจได้ครับอยู่กันสองคนตายยายหรือแล้วลูกๆไปไหนหมดภิกูุอาอคัญทุกะถามเมื่อเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วไปเรียนที่กรุงเทพจ้ะเฮียเขามีลูกชายสองคนเกิดจากเมียกเก่า พอชั้นคลอดลูกเป็นผู้หญิงเขาดีใจใหญ่แต่อีกสองคนก็เป็นผู้ชายอีกลูกห้าคนเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวนางกิมไล่ตอบแบบนี้ก็เรียกว่าลูกกลางเป็นผู้หญิงคนหัวปีเป็นผู้ชายคนเหนือนมกับคนสุดท้องเป็นผู้ชายใช่ไหมครับหลวงพ่อนุ่มต่างแดนถาม เพื่อทดสอบความเข้าใจในสำนวนไทยของตนโอ้โหทำไมฝรั่งคนนี้เก่งจังเลยคะท่านเข้าใจสำนวนชาวบ้านอีกด้วยนางกิมไล้ออกปากชมก็ค่าสอนมาดีได้อาจารย์ดีซะอย่างท่านพลักครูถือโอกาสคุยนายวิกก้รีบสนองว่าครับผมโชคดี ที่มาพบครูบาอาจารย์ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคราวนี้คนที่เคยมีอาชีพที่สังคมรังเกียจกลับไม่เข้าใจที่ฝรั่งพูดถึงกับโอดครวญว่าท่านฝรั่งคนนี้เก่งกว่าคนไทยอย่างชั้นเสียอีกเขาสามารถพูดภาษาไทยแบบยากๆให้คนจบป .4 อ, อย่างชันฟังไม่รู้เรื่องชาชานะนะอะไรก็ไม่รู้ อย่าไปเรียกเขาว่าฝรั่งเขาชื่อวิโก้แล้วเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าคนไทยอย่างเองเท่าไรหรอกแท้ที่จริงอะ่ะเขาเก่งกว่าคนไทยอีกหลายล้านคนเชียวละเองเชื่อไหมเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาได้ของดีในเมืองไทยไปขณะที่คนไทยยังไม่รู้ว่าประเทศของตัวมีของดีอะไรของดีอะไรเหรอจ๊ะนางกิมไล้ถามนั่นไง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 ครั้นเห็นท่านตำหนิพวกผู้ชายก็เลยไม่ตอบว่าพอดีกับเท่าแก่เข้ามารายงานเฮียจัดการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเขาจะมาส่งคนเป็นเมียจึงถามเฮียเมืองไทยเรามีของดีอะไรหรือพระเจริญบอกฝรั่งเอ้ยคุณวิกโก้มาได้ของดีในเมืองไทยของดีอะไรหระอครับ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 ประเดี๋ยวข้าอาบัตท่านพระครูรีห้ามพันก็นึกถึงธุระขึ้นได้เอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบพระผงออกมาสององค์เป็นพระสมเด็จกับพระนางพญาแล้วสงให้เจ้าของร้านช่วยเลี่ยมพระสององนี้ให้อัตมาด้วยสามีนางกิมไลรับมาดูแล้วถึงกับตาลุกท่านครับ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 อบใจที่ไว้ใจอาตมาแต่ในฐานะที่เป็นบรรพชิตอาตมาขอบินทบาทได้ไหมเลิกถือคติไม่โกงไม่รวยเอนะเท่าที่โยมร่ำรวยมากแล้วขอให้ธรรมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเถอะท่านพระครูขอร้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการบอกทางสวรรค์ให้กับญาติโยมท่านครับ ผมขอเธออย่าให้ผมเลิกล้มประเพณีที่ปฏิบัติตามตามกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบรุษเลยผมทำไม่ได้จริงๆครับเอาเป็นว่าผมจะโกงให้น้อยที่สุดก็แล้วกันผมไม่ได้ทำผิดนะครับเพราะมันเป็นความพอใจของผู้ซื้อเขาก็ไม่เ ด, เดือดร้อนอะไรแบบนี้ดีกว่าพวกข้าราชการที่ขอรับชันช่อสงบงังสาด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 ก็กรรมทั้งดีทั้งชั่วน่ะสิการโกงเขาเป็นกรรมดำการทำบุญเป็นกรรมขาวก็ยังดีกว่าทำกรรมดำอย่างเดียวเอาละโกงกรรมอะไรฉันไม่เข้าใจหรอกว่าแต่ว่าท่านได้พระนี้มาจากไหนของแท้หายากมากนะหลวงปู่นาควัดระฆังให้มาท่านเคยรับใช้สมเด็จโตตอนนั้นท่านเป็นเด็ก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 ถ้าหัวหน้าครอบครัวหนาด้วยกิเลสก็จะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาแล้วจะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปส่วนผู้หญิงต้องหนาคือหนาได้คุณความดีอดทนได้เพื่อให้ลูกและสามีมีความสุขนี่เองไม่มีข้าทาสบริวารหรอกหรืท่านถามเพื่อนเก่าเมื่อเห็นว่าไม่มีคนรับใช้มาช่วยจัดโต๊ะอาหาร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 ไอพวกนี้นักตายไปมันคงต้องปีนต้นงิ้วเอแล้วฉันละ่ะตายไปต้องปีนต้นงิ้วไหมเพราะฉันเคยเป็นโสเภณีเอาไว้ตายแล้วเอ็งก็จะรู้มาถามข้าข้าจะไปรู้อะไรเพราะข้าไม่เคยเป็นโสเภณีบรรพชิตตอบท่านอย่าย้ำ ม, มากเลยไอ้คำว่าโสเภณีนะ่ะมันกระเทือนใจฉัน หล่อนแทรกพูดไปอย่างนั้นเองกระเทือนใจหรืองั้นข้าขอโทษจะไม่พูดคำนี้อีกข้าจะเรียกว่าหญิงงามเมืองก็แล้วกันพะะเพราะโสเพนีแปลว่าผู้หญิงงามเมืองดีฉันชอบคำนี้มากเพราะมันมีคำว่างามฉันชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆตกลงท่านใช้หญิงงามเมืองแทน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 แล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกๆพูดชายจะหลับนอนกับหญิงงามเมืองต้องใจครั้งละพันกะหาปะนะัะเทียบกับเงินไทยกี่บาทละท่านหนึ่งกะหาปะนะเท่ากับหนึ่งตำลึงเองคำนวณดูซิก็4ี่0ันบาทโอ้โหทำไมถึงแพงขนาดนั้นราคาที่ว่าเนี่ยเมื่อ 2,500 กว่าปีนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงเป็นแสน เองเห็นหรือยังว่ามีเกียรติแค่ไหนนี่ข้าพูดถึงเกียรติในทางโลกเท่านั้นนะส่วนเกียรติในทางธรรมนั้นหญิงงามเมืองก็สามารถบรรลุ ธ, ธรรมเป็นอริยบุคคลได้ตัวอย่างเช่นนางสิริมาหญิงงามเมืองแห่งนครราชคฤื้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนนางอัมพปาลีแห่งนครเวสาลีเป็นถึงพระอรหรันต เป็นอีตัวนี่แหละนะบรรลุอรหันต์ได้นางกิมไลรู้สึกแปลกใจและคนดีใจดีใจที่ได้ฟังเรื่องดีๆมีมงคลจากพระเพื่อนเก่าก็ใช่น่ะสิเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องน้อยอกน้อยใจที่มีอาชีพเป็นหญิงงามเมืองฉันไม่น้อยใจหรอกตรงข้ามฉันกลับดีใจถ้าไม่มาขายตัวฉันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีนี หรืออย่างเก่งก็ได้แต่งงานกับไอหนมละแวกนั้นแล้วก็ทำนาหน้าดำไปตามระเบียบเอาละนิมนต์ท่านฉันเพนเฮียมาถวายเพนท่านก่อนหล่อนเรียกสามีเป็นอันว่านายวิกโก้ต้องทำหน้าที่กล่าวถวายสังฆทานเพราะคนไทยอย่างนางกิมไลและสามีกล่าวไม่เป็นเช่นเดียวกับคนไทยอีกหลายล้าน นางกิมไล้าฝากเงินไปให้บิดามารดาสองหมื่นและไม่คิดค่าเลี่ยมพระจากท่านพระครูนอกจากนี้ยังเหมารถให้มาส่งท่านกับลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงด้วยหวังจะเป็นพระโสดาบันต่อไปในอนาคต